บุ๊กทูยี่สิบสการนัดหมายจันจีคุณพลาลดรถโดยสารหรือเปล่าครับ .apakah kamu kelewatan bis ผมรอคุณครึ่งชั่วโมงแล้วครับ saya sudah s e คุณม a h jam menunggu kamu คุณมีมือถือติดตัวไม่ใช่หรือครับ Apakah kamu tidak bawa Po ครั้งหน้าขอให้ตรงเวลานะครับเวลาครั้งหน้าขอให้ตรงเวลานะครับลครับครั้งหน้าขอให้ตรงเวลานะครับ ครั้งหน้านั่งแท็กซี่นะครับลนคลิคัลย์นั่งขาแท็กซี่ครั้งหน้าเอาร่มมาด้วยนะครับลนคลิคัลย์เอากระปายุงพรุ่งนี้ผมหยุดครับฉันไม่มีงากพรุ่งนี้เราจะพบกันดีไหมครับ k ุ m u ok? af, ok ั a u kita b e ป t e m u besok มาจะไปกันไหมคุ i ม a ่วเราจปนหคุณมั่าะไนี้คุณมีอระไรทําหร่ราจัหครับ apa ค k h i r p e k ร n ini k a ั u a ห a rencana รหวรือ่วาคุณม่านคุณมันัดวล้ควรัครับ apa kamu sudah ada rencana ผมเสนอให้เราเจอกันวันสุดสัปดาห์ Saya rasa kita bertemu saat akhir pekan เราไปปิกนิกกันดีไหมครับ Apa kita akan pergi piknik? เราไปชายหาดกันดีไหมครับ apa kita akan pergi ke pantai? เราไปเที่ยวภูเขากันดีไหมครับ apa kita akan pergi ke gunung ผมจะไปรับคุณที่ทำงาน saya jemput kamu di kantor ผมจะไปรับคุณที่บ้าน saya jemput kamu di rumah ผมจะไปรับคุณที่ป้ายรถโดยสารสายจับปุ๊ดคุณที่ฮาร์เตอร์บิส